ให้แม่นะกราบคราบครับื่อข้นาดจะปลูกนึกถึงพระพุทธเจา้าเรือก่อนปลูกอ่ะปลูกแล้วกวันนี้พระเจ้าโดดปุ๊กไปเชื่อมรัดคอเขาก็ดิ้นตายยังไงให้ไปสวรรค์นแน่นอนโอ้ยนิดจะตายแบบไหนก็ได้แต่ถ้าภาวนาผู้โชไปสวรรค์ได้<ช>ไปได้แน่โอ้สะดวกหน่อยอย่างนี้บางทีผัวเมียทะเลกกาะกันเออขายเชืยกนะ <c oughs> เชือกอะไรหลวที่อเชือกผัตาย เียนย้ายท้ายดิเียนเชื่อกพุทโธรับรับประการบัวค่ะรารระายได้เชือกอันนี้ไม่ไม่ลงได้โรกแม่ลไม่ลงตัวว่าเราไม่ได้การที่หลวงพ่อคะหนูตอนแมวตอนหมาให้เป็นหมันอย่างนี้จะบาปไหมคะไม่บาปแน่ ทำไมล่ะครับก็หนูไปตอนแมวเนยหนูตอนไม่บอกตัิชานี่ก็ไม่บอกโทษนะเดียวเดียวพ่อทำไมนี่นคนถามนะหนูคนนหนูเอคนถามเขาถามว่าหนูไปตอนแมวใช่ไหอออไอ้หนูก็ไม่กล้านะหรอเล่าาไปตอนแมวได้ตัวเล็กนี่บาง ไอ้วยอะไรจะสีได้นะไอ้การกินตอนแม่ตอนหมานี่ในสารสุเคราะห์กรับท่านปรับโทษเลยนะโอมีโทษมีหมากมัาตอนสัตว์ตายไปแล้วไปเกิดเป็นสัตว์ถูกทาลายเพศไ้เกิดมาเป็นคนถูกตอนเนี่ยสมัยนี้ตอนนี้มากๆเด็เคยเคยตอนสับอยู่ใชไมเนี่ยใช่โอ้เป็นเป็นเป็นหมากงั้นเลรก็ เมบอกคือก็สัตว์มันไม่ได้บอกให้ตอนมันนี่มันเจ็บอมันเจ็บอ๋อแล้วทีนี้หนูเห็นว่ามีลูกมากแล้วเลยตอนสามมีอย่างนี้จะแบเขียวเขีไล่ไล่ลไลอ้โหโอ้โอทีนี้ตอนนีสด่าสามีเลยตอนับงก็มีลูกแ ไม่เป็นไรแล้วจะเอาเท่ามีมเรือไ ร, รใช่เขายอมให้ตอนใเ่ไหมว่าสัตว์จะมาไมไ่ยอมให้เราตอนอเราบนคัดการตอนเขาหรือ <laughs> สามีเกไมันจะเห็นมีลูกหมาเลีมยไม่ไหวว่าตอนก็ตอนอตกลง ไม่เป็นไรนี่เป็นมหาุสนนะทื่มหาอุสน์าบนรัาครับ้อามีเนี่ยค น, นเนี้ยตอเคยตอนสัตว์มันไม่ใช่ ก, ก่อนแน่ถึงถ<อ>ึตอนชาตินี้ผมคิเป็นกรรมเก่าไปเลยนะอย่างฉันเนี่ยไม่เคยตอนสัตว์ชาตินี้ไม่เคยถูกตอ น, นอ๋อหลอดใจได้ดนะ <c oughs> ถ้าไปบวตกน่ า, นา ร, <c oughs> รู้่รใครตอนใครเอออ่าไปอย่างนี้เจ้าค่ะ มีคนอื่นชอบทำให้ดิฉันเป็นทุกบ่อยๆว่าวเสียดสีกระแทกแดกดันเป็นต้น <c oughs> เอาหลายอย่างครับ <c oughs> มันเข้าไข้างบ้านนะดิฉันก็พยายามพยายามหวายสังฆทานบ้างโุทิศส่วนกุศลไปให้นานๆจะหายกระแทกแดกดันไหมเจ้าค่ะ<อ>ไม่ท่าหายพดทนไว้ก่อนนะ ครั บ, บอกไม่ชาาอาไม่ชาเยเพราะนั่นเขาตายอ้โ อ, อ, อ, อ, อ้รอยคนนั้นตายก่อนเนี่ยโอ้อยาายยยยยยยยยายยยยยยยยยจริงยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย่ยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยงยยยยยยยยยยยยยยยยายยยยยยยเยยยอยยยเยยยยยยยอยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยายยยยยยยยยยยยยยยยยย่ยยยยยยยยยยงตัวอยู่ได้ ถ้าบุเกาอำลั ง, งลงมาไหลก็พับมานั่นแหละเอะยังานป้าผมนี่สงสัยจะได้ผลเนาะทำไมนี่คนข้างบ้านไม่ถูกก็แกแกก็ไป่ายบาตรเสร็จแล้วแกก็บอกพุทธังบาลัยยะจักคำมังบาลายยะทั้งข้างบาลายยจักเนี่ยทำไมอ้าวก็มาลายจริงๆเลยครับใครเป็ไรบ้าผมก็จะไม่ แ, บบมแบบมค่เข้าไปแค่มลวงพุทธธรรมสง กูทำอะไรจากพรกกเจ้าบอลลายเอาทำอะไรจากทักพธร <c oughs> <S <S ท ร, ร ท, ทำบอลลายทั้งทาทุขขอออกอย่างพ่าสมว่าสมบอลลายแกก็บอลลายไปอ้แกวจริงจิงจงหน้าเราพวกเราหอกขี้คว้ามมาก <c oughs> <c oughs> อันนี้สรงน่ตามานี่นะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ถ้าใครไม่ตาได้จริงๆนะคราบครั บ, รบแต่ว่าหาก ว, ว่าคนนั้นยังไม่เลิกเป็นศัตรูแต่ว่าบุญเก่ายังช่วยอยู่ก็ยังทรงตัวอยู่ได้ ถ้าบุนเก่าอ่อนกำลังล้มาอลไยก็ยังเลวๆที่สุดคืออมภาสครับิชันไปตามวัดบางแห่ง<ะ>เห็นมะละกอขนุมมะม่วงมันสุก<ะ>ก็เลยหยิบเอามากินนึกได้ว่าเป็นของสงฆ์แต่มันลงท้องไว้แล้วเขียวจริงๆอีอย่างนี้ิชันจะทำยังไงดีเจ้าคัะ ลงพองเวลาลงพ่อนะนี่ยังมีการจ่ายคืนได้นะทํำยังไงลุงพ่อครับเวลาทอาเจระมาดิเอาเจรอะไปคืนบัตอให้กาไรดูเจระะมันเยะพ่อจะขนอย่างเดียวข้าวปลามีเสร็จอ๋อบวกมานั้นเลยแถมโอไอ้นี้ก็ชําระนี่ส่งใช่ไหมชำระไม่ส่งไม่ส่งพอก็ตั้งไปรไทว้พระดูว่าขนุนเรามาเท่าไหร่ครับเแล้วขนุนมันึงลูกลูกราคาเท่าไหร่ใช่ไหม ตัวเรือวานเอากระตังเท่านั้นไปถวายพระบทฉันคอยสำนันี่ส่งอาส น, วนวาุวัดไปจินอ้่านนันก็หมดเรื่องผอเรียวไทยมีสงก็ไปได้สงไ ป, นะปเลยรบหลวงพ่อเจ้าขาดิฉันเอาเงินในบาทวิระทยโยไปเล่นหวยียว <laughs> จำไม่ได้ว่าเอาไปกี่รั้อย่างนี้จะทำยังไงดีเจา้าคะ เล่นต่อไปบรรทุ<ย><ง>ลระดับที่หนึ่งได้แบ่งครึ่งออกมาออกไปก็ไม่รู้กี่ครับผมไปเอาบ่อยนะเจ้าเอาไปเอาไปท่านจําไม่ได้เลยลว่าอะไรอันนี้อันนี้ผมแรงอย่างเลยแต่ตอนจริงอันนี้ยังไม่ถือว่าเป็นขโมยนะครับเราคิดว่าเราจะถวายพระแต่มันยังไม่ถึงพระพระยังไม่รับประเินใช่ไหมดังนั้นยังเป็นศิลของเราอยู่ยังไม่ถือป็นขโมยหรอกแค่บางเสียสละไปนหน่อย ถ้ารอบจะมาถูกตอนราบรอบถูกตอนโอ้แบอย่างนี้ก็ต้องพยายามใช้ใช้หนสีสงอย่างกำลัง<อ> <นะ S 2> ก็ไม่ถึงข่ายของสงนี่เพราะยพระยังไม่รับประเกัยนยังไม่ถือว่าเ็นค่ายของสงอ๋อไอ้คันนี้ใครมีบาปนี่รัตโยกขัดข้องก็เอาไปก่อนได้นะ <c oughs> เอาเอางเงินปลีดไปแล้วแบงใส่แทนเงี้ย <c oughs> มีอย่างนี้ด้วยอานี่ข้อจริงครับไม่เป็นรรัยจะไม่ถือบาป ควาจริงอไปก็จ ด, จดอย้ก็แล้วก็จดว้จดยอดใบจดยอดถ้าเรามีเมื่อไ ร, รก็มาทำัะคืนเพื่ อ, อเรื่องไปนนี้ก็สบายใจครั้งหนึ่ง <ๆ S 1> เดชันนั่งมโนมยิทธิไปที่พระนิพพานเห็นภาพตัวเองนั่งอยู่บนดอกบัวไม่ทราบว่าอย่างนี้จะเป็นการปรามาสหรือไม่เจ้าคะนี่เลี้ยงก่อน เห็นผ้าตัวเองนั่งมาดูวัวนั่นุ่งผ้าหรือเปล่าโอการนั่งมีหลายผ้านีใหญ่ผ้าผ้านั่งไม่นุ่งผ้าบาปน้อยเพราะหนักมันน้อยลงโอนุ่งผ้าผ้ามันหนักมากบาปมากบาปมากนะมแต่ก็จริงไม่บาปนะยิ่งว่าก็บาปนะบาปบาปการเห็นผ้าจนไปนั่งถึงไหนก็ตามเพราะว่าจิตขนาดนั้นน่ะมันไม่มีกิเลสแล้วเฉพาะเวลานั้นนี่ะ ถ้าขนาดใดถ้าไปจิตไปถึงนิพพานมันจะซิ้นกิเลสไม่มีแต่ตอนนั้นมีไปได้นั่นถือว่าเป็นบุญใหญ่จะไปนั่ที่ไหนนั่นเป็นเรื่องบุญของเราเคยสร้างมาไม่เป็นไรอ๋อคราบครับนี่แสดงว่าคนนี้ดีมากดีมากดีมากแต่ว่าทางไี่ดีนะควรจะทําอย่างไรก่อย่าไปแก้ผ้าด้ก่อนอย่ายาวตามนี้นะใครเปิดประตูจะตอนฐานแท้เลยเออ มีอะไรต่อไปไหมเหลือเวลา20นาทีอ่ามีอาชีพในการส่งมูเป็นเป็นไปขายในต่างประเทศเพื่อเป็นอาหารดิฉันแนะนำว่าอย่าทำเลยมันบาปแกก็บอกว่ากูกินบ้างถวายพระบ้างหรือวาเน่อย่างนี้อยากจะเรียนทราบว่าบาป ก, กบุญนี้จะเท่ากันหรือไม่แล้วเวลาตายจะได้รับผลเป็นประการใดเหลือแบ่งพระเท่าหรือบาจตเทียอไรอ่ะ สงสัยพระคงจะได้น้อยกว่ามันก็ไม่เท่ากันนะพีอวัตถุไม่บริสุทธิ์โอ้ยเนรีนะครับครับถ้าบุญจะได้มากหนึ่งผู้ให้บริสุทธิ์สองผู้รับบริสุทธิ์สามวัตถุบริสุทธิ์ยิ่งยืนรีสูงมากใช่ไหมครับอันนี้ผู้ให้เอาสับเป็นไปขายนี่ผู้ให้ไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมครับแล้เอาเนี่เอาปัจจัยมาตวาย้ครับปัจจัยนั้นไม่บริสุทธิ์ ถ้าพระผู้รับบริสุทธิ์หรือเปล่ายังไม่แน่โอ้ถ้าพระบริสุทธิ์ก็ถือว่าได้หนึ่งในสามกล้าบล้าใช่ไหมถ้าลาไม่บริสุทธิ์ล่ะแพงเลยโอ้ถ้าไม่พะบริสุทธิ์ก็ไม่เราไม่ต้องทำอะไรถวายเป็นสารนทานไปเลยโอตัดปัญหาไปเลยนะถ้าถวายเป็นสงรนิทานนีพระจะบริสุทธิ์ต้อไม่บริสุทธิ์จะตามอริสงสมุนแบบแต่ว่าพระผัวไปใช้ไปกินนั่นแหละอาจจะลงนรกก็ได้เรื่องของท่านเราไม่ต้องห่วงนะกร้ากล้า การตรวจพระพุทธมนตรและวิริยโย <c oughs> เสียงดังๆกับภาวนาในใจเนียบเนียบอย่างนี้จะมีผลเหมือนกันไหมค ร, รับไม่เหมือนกันแน่นอนเพรยืนยันแล้วจะต่างกันยังไงครับอ <c oughs> าารกันได้สวดดังๆเหนื่อยมากไม่ <c oughs> ใ, ใจเหนื่อยน้อยแต่ว่าอันที้สงนี่เราเพื่ความพอใจนะ ถ้าเราสดในใจใจมันไม่สบายจิตใจมันแม่งคงแล้วสวดมันดังจิตใจมันคอันนี้สวด ด, ด, ดังดีกว่าถ้าเราเน้นในใจจิตใจไม่งคงกว่าก็สวดในใจดีกว่าเอาให้ความสบายใจเป็นสำคัญนะแล้วสวดแย่ดังมากเกินไปนะดังมากเกินไปเดี๋ยวเสียงภายนอกมาอ๋อทำไมทราทำพ่อถ้าไม่เสียงดา่าก็เสียงอื่นอ๋ออันนี้สงตามนะใช่สตาม อ, อ, อ, อย่างนั้นจะเอาพุดีๆกันแล้วกันนะพุดีๆ ด, ดีกว่ า, านั่งสมาธิรักกรรมฐานไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุไร1นาทีปั้ง1นาทีปั้งและ1นาทีปั้ง <laughs> ปัง้งไปเจอว่าอะไรเล้วผมไปกอยากว่ามันงแล้ว <laughs> ดูแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรนั่งคืนต่อต่อไปก็หนึ่งนาทีปังหนึ่งนาทีปัง <c oughs> อันนี้เป็นเพราะอะไรคาระแหม้วันนี้อร่อยเลยอันนี้อันนี้นเคยโดนเหมือนกันนะอ๋อพ่อเคยโดนกันเหรอครับเคยโดนแต่มันไม่ปังดอกปังดังมากเหมือนเสียงพุ้เลยโอ้แต่อย่าได้ว่าชาติยินเสียงแบบนั้นนะเจริญนันทิตอุปจาระสมาธิครับ ถ้าจิตเยือกปาราชาสมาธิสูงมา ก, ก, มากาามารินกน้นชัดมากปราชารสมาธิน้อยสิ้นชัดน้อยค่ะเพืาะถ้าจิตเยือกปราชาสมาธิเนี่ยเวลานั้นจิตมีอารมณ์บันทิอถ้าในเมื่อจิตมีอารมณ์บันทิ์สา ม, มารถยินเสียงที่บันทิดได้ไอตัวฟังฟังเนี่ยเขาพิสูจนเราว่แน่หรือไม่แน่อโดยมากเป็นเจ้าเทวดาเช่นเจ้าตุภาราส<อ>ควรจะภูมิใจในความดีของตัวเนี่อ โอปังวันนี้ปังดีนะปังดีแต่ปังวุฒิปังไม่ดี <c oughs> ให้เลี้ยแก้ไขต่อ ไ, <c oughs> ออไปในขณะที่กำลังนอนป่วยอยู่เจ็ดก็จับพระนิพพานเป็นอารมณ์บังเอิญหมาแมวกัดกัน <c oughs> ฉันก็ด่าไปว่าไอ้ทิหายตายโหงกำลังจะไปนี่พานรออยู่ได้สมมติว่าตายไปอะไรขนาดนั้นจะไปยังไงเจ้าคะไปการระบายอารมณ์เนี่ยแบบนั้นก็ถือเป็นการระบายโทสะออกครับอาจจะไปนิ่พานก็ได้นะออาจจะนะเอาอาจะนะแต่ว่าถ้าเลือกแค่จริงๆถ้าตายเวลานั้นลมรบแม่ จิตเศร้าหมองจิตเตสันติเถทุกติปฏิังขาปฏิังขาก่อนแยกกายถ้าจิตเศร้าหมองแลนะตายเวลานั้นไปสบายอยู่พทันทีอ้หรือหลาหมาแมวไก่กันไว้ด้วยตามที่ชอบตามที่ชอบนะลูกนะเดี๋ยวแม่จะไปนิทานจ้าขอพูดเขาดีๆนะเราจะได้ไปไปดีๆกันดีๆใช่พ่อแม่ ของพโยคาวจรจะได้อานิสงส์เหมือนกับเราบวชคนอื่นไหมคะออนี้บวชคนอื่นอานิสงส์จะเหมือนกับลูกตัวเองหรือเปล่านเนี่ยพ่อแม่พโยคาวจรขาไหนกันหน้เนี่ยถ้าคําว่าพโยคาวจรนี่ก็หมายถึงคเนเจริญพระธรรมทานในญาติโยมนะชาวบ้ที่บวชธรรมดาธรรมดาทขาไม่ได้ะโยคาวจร อระยายามที่นั่งทุกคนเนี่ยถ้าเป็นนักเจริญกรรมฐานทั้งเรื่อพระโยคาวาจรทั้งหมดครับนะฮะพอเริ่มทำสมาธิพอจิตระงับิวอนได้พอกลพระพุทธเจา้าทรงเรียกว่าเริ่มเป็นแคะข้าวพระนี่ปเป็ผู้เบิกเสร็จนะครับทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายที่นั่งที่นี่ถ้าพอใจในการเจริญสมาธกรมฐานนิบาสนากรรมฐ า, านอนนันพระพุทธเจ้าทรงเรียกพระโยคาวาจรเลยโอนะครับค วันนี่แข่งเขาจะหมายปวาลูกของท่านบวชใช่ไหมครับแล้วก็ลูกของท่านบวชถ้าลูกเรียกลูกไปสร้อยโยคะวาจรสเดาลูกเนี่ยเป็นพระที่เจริญกรรมฐ า, านครับแต่ความจริงจะเจริญนรือไม่เจริญก็ตามถ้าบวชลูกของเรากับวกกบวชลูกคน อ, อื่นอันดิสงไม่เท่ากันหรอกโอบวชลูกคน อ, อื่นถ้าเราเป็นเจ้าภาพมีสงเป็นเทวดาหรือพลีสงกับครับครับถ้าแค่เราช่วยเฉเๆก็มีงานบวชพระกันเราไปช่วยเก้าเบาสิบาเท้าหลิงเป็นฝืน มี่้าสิบตังค์นะครับคบีับจได้มี้สงสิบแปดกับถ้าบวชลูกเราเองมีสงสามสิบกับประดังกันโอแล้วก็ถ้าบวชลูกคนอื่น <c oughs> เกียรติเราต้องบวชนาถ้าว่ายินดีด้วยไอ้สงก็ไม่ได้คถ้าลูกของเราไปบวชที่ไหนก็ตามเรารู้หรือไม่รู้ก็ตามเ้าบวชแล้วเราได้ทันทีโอทําไมลูกหลวงปู่ปานวัดบางลำโคจึงมีหนวดเจ้าค่ะ โอ้ลูกเขาจะเป็นรูปถ่ายไอ้ที่หลังข้างหลังฉันต้อไม่มีหนวดนี่ที่จะวั ด, เ, วดเดียวกันหรือเปล่าหน้ากูจะคนลวัดมั้งเดี๋ยวก่อนเคยเห็นภาพร้อยจีที่เขาถ่ายมาที่เขาติดมานะกล่าวคราวแต่ก็สงสัยเหมือนกันว่ทาทําไมจึงมีหนวดยาวเ ม, มื่อเคยอยู่กับท่านมาไม่เคยเห็นท่านมีหนวดเนาะส ม, ยมัยของพ่ออยู่ไม่มรไม่มีไม่มี รู้วามีจะเส้นงคัดจะมีในมากเพราะว่าหนึ่งเล็บเอาไว้ยาวเกินไปเลยเนื่ อ, อ, อมาจังตัดทันทีเพราะว่าเพื่อเจ้าสมบตัติใ่ไหมตัดเป็โทษใช่ไหมครับครับและรายการอีกสองหนวดเนี่ยต้องโกนพร้อมกับผมโอตาวินัยใช่ไหมครับครับว่าถ้าโรงผมเมื่อไหร่ก็ต้องโกนหนวดเมื่อนั้นเมื่อก่อนในสิบห้าวันขูดทีหนวดจะยาวได้ไง โอันนี้เดือนแต่ความจริงใอ้การตรงผมได้กําหนดไว้ว่าหนึ่งผมยาวไม่เกินสองนิ้วต้องโกนถ้าจะเกินสองนิ้วนะสแล้วโดยการในสองล้วผมยาวไม่ถึงสองนิ้วถ้าถึงสองเดือนต้องโกนใช่ไหมนี่ภาพนั้นฉัะเห็นนี้ก็แปลกใจเลยว่าทําไมจังมีหนวดหรือว่าท่านจะมาเขียนเติมทีหลังหรืกว่า ห, ห, หนวดจะ ง, งอกมาเองงไม่ตัวนหนวดจะ ง, งอกเวลาเขาถ่ายภาพไปโอเป็นปัติหารไปเลยนะใช่ใช ลืมพระบรมท่านไป็นพระิสัพท์นะ oh. ดูไม่ดีจะบรนดาลให้โหนดออกมาเลยอ๋อเหลือเวลาสิสามนาทคีครับครับหนูใช้คาถาอย่างนี้ได้ผลดีจุกัด <c oughs> เดิมทีก็ใช้วิระทายวิละโปนยังต่อมาเปลี่ยนเป็นหลวงพ่อวิระถาวโรวิละโคนะ <c oughs> <c oughs> เพราว่าหลวงพ่อยังเป็นๆอยู่เรี่ยงว่าธรรมดาเจ้าค่ะโอจริงๆแล้วไปช่วยได้นะครับคเออพราะจริงเจ้าอยู่ทิศพานหมดแล้วไ่ได้ช่วยยากแต่ว่าจริงท่านก็ต่อท้ายแล้วก็อยู่ไกลนี่ด้วยอันเก่าอันเก่าเขาไม่ไม่ได้ทิ้งนี่อ๋อเขาขึ้นมานิดนึงแล้วมอนก็มาโมโหทายะกับมาโมโหทายะอ๋อมียอะมีเยอะอ่ะเออมีสมัยก่อนในเรื่องจริงๆเขาเราปฏิทินเนี่ยแต่ความจริงมันเรื่องจริงคนที่เข้ามาบวชไม่รู้หนังสือใช่ไหมเปล่า อาจารย์ให้พาณนาว่านโมทายะพาวนาที But, os, ่ท่านเวลาอาจารย์ไปยืนเปินย่อยเขาใกล้วัดในสายนักขางก็สองกิโลไม่เลยหมดไปตัวชายเออยะเลยแย่ก็ไมนุู้เลยหล่อนโมทายะเข้าให้ว่าไปว่าไปเนื้อหาที่ติดตัวไปหมดทค่เล็กในใจว่าถ้าโมทายะทูตเจ้าห้าพระองค์นี้ถ้ามีความสำคัญเพราะที่นี่อ่อน ก็ S <S ออเลยท้อนจากหินหินอ่อนเหมือนุ่นเลยก็กินได้ออแล้วเรามีรสอร่อยพอ ต, ต่อมาเมื่อถึงอาจารย์กนมาก็ลองรูว่าน้ำมูทรายแย่เนี่ยมันพราะพเจ้าะพร ะ, ระองค์เนี่ยคราบคจะสามารถทาให้เห่อได้ไหมท่านว่าท่านดีจริงเราก็ห่อได้ออคนนึกเท่นั้นก็นลอยใจมาบรารยากาศจลงที่บุริพุทธภานพอดีคราบครเอ๊ะเพราะนนว่าท่านจาวาดเือท่านนิพพานนะอาจารย์น่ ถ อ, อคุณไปภาวนาวิธงไหบอกผมภาวานาโนมุทายะครับอาจารย์รู้สึกเอฟเฟกซ์สี่ตัวฮะท่านก็เลยดีบอกคุณใช้ได้ในนโมุทายะแต่ว่านั่นมันตัวเมียนะที่ย่าสอน ม, มันตัวผู้คือโ น, นมุทายะตีตัวผู้ตัวเมียอทีหลังท่ากลับมาภาวนาโนมุทายะจิตใจไม่แม่นคงหรือไม่มีผลตามนั้นต้องกลับไปว่าดโนมุทายะใหม่อันนี้ก็เหมือนกัน ถ้ากําลังใจเขาดีแล้วก็ใช้ตามนี้ตามเดิมจะเปลี่ยนไม่ได้โอ้ใ่ไหถ้าผลไม่ดีแล้วจะเปลี่ยนไหมครับก็ก็ดดอันใหม่ดีกว่าก้อนเก่าทําไงอ่ะก็ไม่ใช่ใหม่ที้เก่างเก่างองเขาแล้วน่ยใช่แล้วโอ้โหนัของเก่าไม่ได้เสียไปต่อห<อ>้เป็นของเก่าทั้งหมดนะอ่าใช่ได้เวลาถวายสังกทานจะไปนิมนต์พระที่วัดถ้าไม่นิมนต์สมภารท่านก็โกรธแล้ว จัดแต่งมนสมพาน์ก็เกรงว่าจะเป็นการเจาะจงอย่างนี้ดิฉันจะทํำยังไงเจ้าค่ะก็ใส่บาตรหน้าบ้านอยูหมดเรื่องพอไม่ต้องยืนมานอธิบายนะเพราะว่าเรายืนใส่บาตรหน้าบ้านเนี่เป็นสัญชาตแท้อยู่แล้วรไม่จำเป็นต้องปฏิบิมนพระมาทั้งยุ่งหรอกใครเคยนิมนมาเราสมพันเนี่ยเดี๋ยวต่างคนต่างบแบบใช่ไหม คราบครบัไม่มีมนฑลท่านเพ่งโกรธเพ่งโกรธบาเราเข้าเราก็เลยโกรธสุพารณต่างคนต่างบรรกด้วยกันอ๋อไอ้ควางยิงการใส่บาตทที่เป็นสังฆทานแท้นะถ้าอุปสรรคมีแบบนั้นนะคราบคราบเราอยากทำอาหารนห้มันดียังไงก็ได้ตามใจเราชอบพระมาล้วก็ใส่บาตไปเท่านี้พอใช้ได้แล้วขอวิทย์ถวายหน้าบ้านก็ได้เหรอถวายหน้าใบาก็ได้ถวายหลังบ้านก็ได้ข้างซ้ายบ้านกับขวาบ้านได้หมดใต่ถุนบ้านก็ได้ โอ้ยังทำไเหรอใช่เราดูผลมันตกก็ยืนได้ถึงข้ามารับบารที่ได้ถึงใช่ได้เลยลาวกนึกว่ากาสังฆทานหนึ่งต้องไปถวายที่วัดหรือไม่ก็ต้องกล้ามาที่บ้านไม่จะเป็นไม่จาเป็นลาวาเอาแค่สบายๆนะจะไปฝึกมะโนมยิทธิที่ซอยสายลมหลายครั้งหลายหนแต่องมีอุปสรรคปัญหาทุกทีทุกที อย่าง น, นี้แสดงว่าเวรเก่าของที่ฉันยังไม่หมดรือเจ้าค่ะเวรไม่มีมีใจกรรมอ๋อไอ้กรรมนี่คือกรรมห่วงบ้านห่วงลูกบ้างห่วงหลานบ้างก็ถ้ายผู่กันตายสัพท์ศาสนาถือโอกาสยังไม่ถึงอัมนั่นเองหมืนกับท่านลาภพรามหรวพอกะลิใช่ไหอยู่ในสนักพระเจ้ามาสามปี เพื่อใจนั้นว่าโอกาสที่เขาจะไม่รู้มรรผลยังมันมีท่านั้เลยเฉยเมื่อถึงมาราสามสิเขาเขาเห็นว่าความดีสุขวอมแล้วใช้ได้จะนําเรียกมาสอนเขาบอกไม่รู้มรรผลญาโยมที่ถามมานี่ก็เหมือนกันเข้าใจว่ากรรมที่แปรอกรสมเดิมบางอย่างมันรคร้อนอยู่จะทำให้ไม่ว่างถ้าว่างอะไรได้มานั้นแหละดิฉันเห็นพระวิสุทธิเทพ อีหลวงพ่อสร้างวัดผ้าตรงมีไส่ฉดงฉดาด้วยมนุษย์ถึงว่าผู้หมดอิเล็กแล้วน่าจะไม่มีเครื่องกระดักประดาพัดทรงสงใสควา ม, มคิดของที่ฉันอย่างนี้จะผิดหรือถูกเจ้าค ะ, ะความคิดนี้ถูกแต่ไม่ตรงตามความเป็นจริงทำไมเป็นงนะะั้นล่ะสาวคิดแต่ไม่ต้องถูกแต่ว่าแปลกใจอย่างหรือว่าทำไมไอ้ฉดาที่ฉันรู้จักฉดงมันเป็ไง อ๋อชะดงนะแต่ความจริงเรื่องการหมดกิเลสมันไม่เกี่ยวเครื่องประดับใช่ไหมเพื่อทราบความเป็นจริงพระเทว ด, ดาก็ดีพระโอเดีหรืออยเจ้าที่ปฏิภาณโอดียเขามีภาพปกติเขาเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราปฏิท่านเรามีกิเลสมากเกินไปต้องหาความจริงให้พบต้องไปนิพพานให้ได้เื่อก่อนแล้วเรายิงท้าความเป็นจริงว่าทำมาต้องมีเจดายด้วยเ อ, อาแค่นี้นะ ทำไมพระเจนเทศไม่เหมือนกันเจ้าคะเรื่องวันมาคัชบูชาวัดน้อนบอกว่าภิกษุชุมนุมพันสองร้อยห้าสิบลูกวัดนี้บอกว่าสองพันห้าร้อยลูกไม่รู้ว่าจะเชื่อวัดไหนดีเจ้าข่าวจะเป็นห่วยเชื่อทั้สองวัดจันแหละข้าวข้างล่างข้างบนน่าหยอด่าย่าข้าวล็อกแล้ว เลยเจ็นาทีเ<ล><ล>รียกรถใส่ความสามเยอะดึ่อ่าคื อ, อย่างนี้ครับเอเจ็ดนาทีเห็นจะพอลนะก็เขา อ, อย่างนี้หลวงพอ่อวันนี้เขาถวายรถหลวงพออ่อใช่ไหมใช่ผมก็ซื้อรถมาถวายาร่องกันแต่ยังไม่ได้บอกอพออ่อสากถ้าจาเขาไปเก็บแล้ ว, <c oughs> ลวรถอะไรรคกรนี้ใหญ่ <c oughs> ไม่รถของผมได้ที่สาหรับเฉลี่ยโอ้ดีดีดีดีมีมากดีมากนั่นเป็นส่ที่หาทานเลย เขาอย่างนี oh, kay, ka. okay. ้เป okay. ็นหายนานเหรอครับเออเอ้ยรถรถอะไรรถแบบเข็นใไปข้าวไปของก็เขนมันมีสามล้ออ๋อไอ้นั่นไม่ใช่เป็นหายทานดิพอาะพระก็เป็นแบบก็ใช้รถแบบนั้นลากเสมอเข็นรถเข็นไปโอ้สถาการณนี้สองต่ว่าเขาออกไปใช้บนพทของแม่ด้านก็สร้างแล้วไปที่หายาะทานด้วยอันนี้สงใหญ่มากนะไม่ใช่เล็กน้อยนะ โอ้ยรถรถทุ่ผมก็เข้าท่ามันนะก็ไม่ใช่เข้าท่าเข้าที่ไอเข้าท่ามันเรือโอเรือไปจอที่ท่าอ๋อลงจอดท่านะไอรถัะเข้าที่ไปจอดที่ท่าไม่ได้ท่าอ๋อท่าไม่ได้ที่ที่ไม่ได้ท่าเนายังยังจะได้หเือเปล่าคุณหรือําล่อคืออย่างนี้ครับมีมีคนก็จะถวายเป็นแบบ ร่วมอะไรอะไรธรรมานอะไรชื่อว่าเทสทับอะไรเนี่ยเออได้ร่วมโลภนาเป็นอะไรนะเป็นธรรมทานอะไรธรรมทานธรรมทานเนี่ยฮะใช่า<ช>แล้วก็หลวงพ่อชอไปจัดการใช้นี่ใช้สินี้ใช่ไ อ, อ้สิ่งนี้เราใช้เก็บไว้ก่อนใช้ตอนนี้ขาดสักสักตกตกลงก็ได้นะฮะ อ, อ่าสัพพทานังธรรมทานังที่นาติการใช้นี่หลวงพ่อเป็นมหาผู้สนอย่างยิ่งมาดไม่ถดูนะ ไม่สลงละไม่มีใครไปนี่ฉันนะแต่ว่าทานนางทำมันนางทำมันพรนางกินนาติการให้ทาเป็นทานยนตทานของปวงอ๋อสงสัยจะบาลีพลรวัตนะพุร่สแล้วมาฆากันว่าถ้าสูงพยืมบาทหน่อยเลยวหมอะไรอะไรเออะองเขาใหญ่ใหญ่่ะแล้วก็ออกสามเลนสี่เลนเรยจะได้ไวต้องเข้าเลนกลางกันแล้วกันนะ เขาเลยโยนใจไม่ถึงไม่คู้ยดีกวาแต่หายท่ารก็เจอท่านก็มาที่เรียนเพลนภาวนาวุาโทรด้วยก็ดีนะยิ่งอะไรที่มีโสงจบก็ได้ตามใจชอบอาเท่านั้จาะ